ไว้ในในหน้าที่ร้อยสามนะจะเริ่มขึ้นสุปินนวิถีตรงนี้สิดูต ด, ดูตามบุคคลที่กําลังนอนหลับสนิทอยู่นั้นสุปินนวิถีคือวิถีที่เกี่ยวความฝันต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสุบินนวิถีไม่เกิดแก่บุคคลที่กําลังนอนหลับสนิทหรือบุคคลที่กําลังตื่นอยู่เป็นปกติ ห, หมายหมว่าถ้าหลับสนิทลงไปเล ย, ยก็ไม่เรียกว่าสุบินนวิถีถ้าตื่นเป็นปกติอย่างเงี้ยแต่ถ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยไม่แน่ นั่งฝันได้ไหมได้นะนั่งเนี่ยก็คือหลับนั่นแหละแต่มันฝันไปได้จริงๆเยเคยใช่ไหมนั่งบนนั่งที่ไหนพันนาพิงแล้วปึดกัาไปแล้วฝันเลยไงจะมีขึ้นได้ก็คงมีแต่ผู้นอนหลับไม่สนิทเนี่ยลักษณะงั้นเ้าเรียกวิถีฝันดังที่ได้อาาธิบายมาทีนี้ในสวินวิถีเนี่ยมีจำนวนสิบสองประเภทใช่ไหมหนึ่ง อติภูตารมวิถีตทารมณวาวราที่ไม่มีอติแต่ผวังอันนี้เป็นกุศลเป็นกุศลสุปินาวิถีก็ได้เป็นอกุศลสุปินาวิถีก็ได้ในดังที่เขียนให้ดูนั่นแหละนั่นแหละอันนี้แปลว่าอะไรในะวิถีเหล่านี้รับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเห็นไหมหรืออะไรเนะนี่ยเยเดี๋ยวอธิบายยังไม่ถึงถ้าหากเป็นอติภูตารมวิถีชาวนาวระที่มีมีอติแต่ผวัง และไม่มีอาคันตุกพะพวัไงเห็นไหในกลุ่มพวกนี้ก็มีที่เราเรียนกันมาแล้วนั่นเลยใช่ไหมก็ให้เรียนตรงนี้ลงชาวนาวาลาก็แปลว่าอะไรถ้าชาวนาวาลานั้นน่ะเขาสามารถที่จะรับบัญญัติก็ได้รับเรื่องราวต่างๆก็ได้ชื่อต่างๆคือเข้าใจทันทีอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ารับพระเจดีไงก็รู้เลยว่าพระเจดีที่เราเห็นนี่คือเป็นพระเจดีแล้วก็บางทีเนี่ยในขณะที่ไปไหว้ไปตรึกไปนั่นน่ะก็ยังเห็นคนอื่นด้วยนะ ในความฝันดังที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยว่างั้นเถอะเนี่ยในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเห็นไหมลักษณะนี้ก็ว่าเกิดไม่มีอดีตแต่ต้องเป็นอดีตอน า, นาคตเนี่ยบางทีอ่ะจากการที่บางกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นนิมิตบ่งบอกไม่ค่อยดีหรืออาจจะเป็นกรร ม, มก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าฝันว่าจะว่ายไปขึ้นเรือเนี้ยใช่ไหมจะไปขึ้นเรือ<ม>เออก็พยายามที่จะเอาคนคนขึ้นเรือข้างหน้าให้ได้เนี่ยลักษณะเนี้ย ถ้าฝันในลักซะหน่อยอย่ี้โอ้ยว่ายไปสัตว์ร้ายก็ตามมาอะไรเงี้ยต้องการจะหนีสัตว์ร้ายแล้วก็ต้องการที่จะขึ้นไปบนเรือแล้วก็จะได้ปลอดภัยเนี่ยลองคิดดูเนี๋ยวตอนนั้นกุศลเล่ากุศลเกิดอ <c oughs> ว่ายไปว่ายไปหันมาข้างหลังก็อสัตว์ร้ายก็วิ่งตามมาติดติดติดติดในน้ำเหมือนี่ยตามกุศลเกิดได้มหมบางคนน่ะจะ โมเอจะทํำยังไง น, นี่เคยไหมแบบเนี้ยใครเคยตรึกเคยฝันแบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นสมัยเด็กๆ ก, ก็วิ่งหนีสุนัขทางนี้อกุศลสุปินวิถีนะโดยส่วนมากเป็นอกุศลสุปินนวิถีบางกลุ่มโมเอจะฝันหาะได้เขาบอกันเลยนี่แม่ฝันประหลาดฝันว่าหาะได้เลยในขณะที่หาะหาะได้นะั้นไม่ใช่หาะมีชานอะไเหาะหนีสัตสว์ไายตัวอยู่บ้างนะแม่ ก็คือคือในกลุ่มเหล่านี้คือเรื่องที่เห็นมันชัดมากมันชัดมากจนเกินไปก็ออกมาจนอือกอักอือกอักเลยอย่างฝันลักษณะเช่นนี้เรื่องปกตินี่ถ้านี้แหละเนาะโทษกองการที่ยังอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่ยังฝันได้มันก็อืมอืมก็ก็เนี้ยไปไปมาเราก็ยังได้บาปกว่าเขาอย่างเนาะ บางหลังลว่านี่ไม่รู้ออกจำไม่ได้ครับยัแต่คือสนใจฝันก็เลยเหมือนในฝันอติวิภูตารมวิถีโวนะวาระที่ไม่มีอตีตาผวังแต่มีอาคันตุกะผวังกลุ่มเหล่านี้คือโทสาเกิดกลุ่มที่ปฏิสนธิด้วยสมมณัตนะครับกลุ่มพวกนี้ยเช่นปฏิสนธิผวังหน้าและผวังหลังนี่เป็นสมมณัติผวังสี่ในกลุ่มนี้นะเป็นสมมณัติวังสี่ทีนี้ อารมณ์เป็นอติถารมอย่างเงี้ยถ้ามีตทาธรรมนาวาล้านนะทีนี้โทสะชาวนาเกิดใช่ไหมตทาธรรมนาเกิดไม่ได้อาคารดู ก, วกวาผะวังก็ต้องมาเกิดแทนที่ฝันยังไงโกรธฝันในเรื่องการโกรธของความกลัวอย่างยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นจริงๆอารมณ์เห็นนะเป็นอารมณ์ที่ดีใช่ไหมเป็นอารมณ์ที่ดีแต่กลัวซะนี้ อ่ายังยกตัวอย่างนะว่าเออถ้ามีมีรถมีลาชลรถมีกลุ่มของเทวดาทั้งหลายเหาะมาเอาปราสาทมาด้ว ย, ยนี่เนอะเรบอกเขาจะเชิญเราขึ้นไปบนปราสาทให้ได้เราก็กลัวเขาจะจับได้ก็วิ่งหลบใช่ไหมไม่ยอมเจอหน้าเขาอะไย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีแต่ปารถผิดใช่ไหมโทรศสพท์เกิด ตนเนองปฏิญ ท, ที่กลุ่มเขาสมานะกก็อีกกลัวเหตดดีกลัวรมดีมีไหมแบบนี้เนี่ยลักษณะเช่นนี้ลักษณะนี้คือไม่พอใจหรือบางทีไปเจอสิ่งที่มันเป็นผลิตผลของบุญแท้แต่ว่าโทสะเกิดในกลุ่มนี้ก็คือเนี่ยอย่างนี้มีอาการดุกับผวงังประการต่อมาก็คือว่าวิภูตารมนะแต่เนี้ย ท่นนี้เป็นวิภูตาโรวิถีชวนาวรระที่ไม่มีตีแต่วังและไม่มีอาคารตุกัดพวังกลุ่มแบนี้ก็คือรับอดีตานาคตแล้วก็นิพันธนรูปใช่ไหมอ่านิพันธ์นรูปสิบกลุ่มพวกเนี้นะรับรับกลุ่มพวกนี้รนะับบัญญัติกันทนะ่านี้ไม่มีอาคารตุกัดพวังเป็นทั้งกุศลวิถีเป็นกุศลสุเบณวิถีและอกุศลสุเบณวิถี ส่วนวิภูตารมโวนาวราที่ไม่มีอตีแต่วางแต่มีอาการดุการผวางังพวกนี้วิภูตารมวิถีที่มีอาการดุการวางังก็เขียนตามนั้นนหะตามที่เคยเรียนอาการดุการผวังวิถีที่เป็นวิภูตารมวิถีเนะี่ยแต่มาปารับในเรื่องของฝันนี่นะปารับในเรื่องการฝันถ้าให้ให้เขาให้กําหนดให้เขียนออกมาเชื่อว่าต้องเขียนกันได้ทุกคนแหละใช่ไหมเขียนวิถีได้ไหม ได้ท่าไหนเป็นวิภูตารมก็อย่าใส่ตะทารรมณวาระโอเคแน่นอนปรารบอารมณ์อะไรเขาก็จะตั้งอารมณ์นั้นให้เราทีนี้อวิภูตารมวิถีโวตทพนาวาระนี่ดูที่อติอวิภูตารมวิถีโมคะวาระในสองวิถีนี้เป็นอัพยากตะวิถีในสองวิถีนี้เป็นอภิญากระตาวิถีเนะืจัดเข้าอย่างนั้นเช่น อวิภูตาอารมณ์วิถีโวธทปนาวาละเช่นว่าผวังต้นวิถีและท้ายวิถีก็เอากรรมกรรมนิวิคตินิมิตอันเป็นอารมณ์นะฮะที่ฉาทวาริการวรนาสันนาชาวนะรับมาเกาะพอก่อนทีใกล้จะตายเป็นอารมณ์เนี่ยทีนี้ถ้าตัววิถีจะเป็นอย่างนี้เอ๊ก็ดูและดูในนั้นก็ไม่ต่างอันเดียเขียนให้ดูนิดหน่อยก็ต้องก็ต้องดูฮะตัววิถีนี่เลยดูวิถีได้เลย อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้เป็นวอดทัปนาวาระนี่นะเป็นอวิภูตารมิถีเนี่ยอั น, นิชัดเลยอันนี้เป็นอภยากตะสุบินวุวิถีและอย่างเมื่อกี้ที่ว่าลมพึงถึงพระเจดีแล้วก็โทนะเป็นมหาภุอันนี้มหาสุนใช่ อ๋อถ้าถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็คือการกําหนดต่างๆเหล่านี้มาเขาก็ต้องกําหนดเรื่องให้เรามาต้องตั้งเรื่องถ้าถามมันจะให้เราไปคิดสังเกตเองเขียนแต่มโนเขียนชาวนาขึ้นมาแล้วก็ให้เราบอกว่านี่เป็นกุศลอนะกุศลมันอยู่ที่เรื่องที่สมมุติที่จะตั้งขึ้นมา อารมณ์ใช่ไหมไอ้ตัวเป็นถึงว่าถ้าาว่าเป็นดีก็เป็นกุศลถ้าไม่ดีก็เป็นอกุศลัดนก็มากรเป็นไล่อะไรเงี้ยาเป็นกุศลอารมณ์ไงไม่ถ้าเอาอารมณ์เป็นตัววัดไม่ได้เราต้องเอาตัวที่เใช่ใชใช่ตัวนั้นเป็นเกณฑ์เพราะว่าแต่จริงๆก็คือว่าเราก็ตัวมโนนั่นแหละเป็นตัวปัจจัยเกิดชาวนาก็จริง ม, ม, มันบางทีเรื่องไม่ดีแต่สามารถเป็ น, เ ป, นเป็นกุศลเชวนะได้นี่แล้วจะให้ชื่อว่ากุศลสุบินหรืออกุศลสุบินถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลสุบินนวินนถีเชวนาเอาเชาวนาไปเอาเชาวนะไม่ใช่เอารมณ์โอเอาอารมณ์มไม่ได้เลยอารมณ์ไม่ดีก็ได้อารมณ์ดีก็ได้แต่ในขนาดนั้นนะ่ะกุศลเกิดขึ้นกแก่เราหรือบาปเกิดขึ้นแก่เรา ถ้าบาปเกิดขึ้นแก่เราก็เป็นอกุศลสุบินณวิถีถ้าบุญเกิดขึ้นแก่เราก็เป็นกุศลสุบินณวิถีถ้าอัพยากตะเช่นโวทพนาเกิดขึ้นหรือโมคาวาลาเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอัพยากตาสุบินนวิถีมในเป็นไม่เป็นเป็นกุศลถ้ากรณีอย่างนั้น ถ้ากรณีที่เจอสัตว์ร้ายเจอเรื่องราวต่างๆแม้ในความฝันผู้ที่มีความชำนาญเป็นอย่างดีแล้วก็เลยนั่งลงแผ่เมตตาให้เขาเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้ถ้าทำอย่างนั้นทำไมกงนยอดมากเชื่อว่าทำได้มในความฝันเนาะ ย้ำตัวเองทำได้ขนาดนั้นไม่คิดว่าสมมุติว่าไปฝันใช่ไหมแล้วเจอสัตว์ร้ายวิ่งมาจะกัดเนี่ยก็เลยอันในความฝันนั่งลงแล้วก็เลยแผ่มเมตตาร่างกายของเราแต่ยังเป็นประโยชน์แก่เขาก็ให้เขาทําไปหรือถ้าเราเคยทําเข้ามาเลยมาก็ขอให้เขาทําไปแล้วขอสลดัดแล้วขอให้เขาจงมีสุขมีสุขเจอไดอ้ยอดมากเลยคิดได้อย่างนั้นสำคัญมาอย่างนั้นเนี่ยลบคืนเนี้อหาอะไรต่อสู้งานนี้ต้อง ไม่เราก็มันอะไรเงี้เสร็จถ้าอย่างนี้สแสดงว่า ห, หมดเนื้อหมดตัวเลยเนะ่ยเนี่ยอกุศลมีเท่าไหร่ผลิตมาใช้จนหมดตรรกมอย่างนี้ก็น่าแรงใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าอพยากตาวิถีนี่เป็นอย่างนี้นะเหมือนกั น, กนที่เคยอธิบายในอวิภูตารมหรืออติอวิภูตารมวิถี ถ้าอ า, อาวิภูตารมวิถีที่เป็นโวดทพนาวาระที่เป็นมโนทวารวชนะสองหรือสามขนาด น, น, นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาพยายามจะหน่วงที่จะทําให้ชวนะาเป็นไปถามว่าแค่มโนทวารวชนะอย่างนั้นนะเขาลำพึงถึงอารอมณ์อะไรแล้วเนี่ยเขาน้อมที่จะให้บุญจะให้บาปเกิดหรื อ, อยังเขาน้อมแล้วน้อมแล้วนะในขณะนั้ น, นบางครั้งก็น้อมที่จะให้บุญเกิดแต่มันก็คิดไม่ออก คิดให้ชาวนะเกิดไม่ได้ลำพึงขนาดไหนชาวนาก็ไม่เกิดต่อบาปก็ไม่เกิดต่อหรือบุญไม่เกิดต่อตามลามกําลังของมโนถวะลวชนะถ้าในลักษณะเช่นนี้เนี่ยแปลว่าอัธยาศัยตั้งไว้แล้วเนี่ยถึงจะอ่อนๆก็ตั้งไว้แล้วเนี่ยตั้งในการน้อมหาบาหรือน้อมหาบุญใช่ไหมเพราะมโนทวะระชนะนี่เป็นตัวน้อมอยู่แล้วนี่มันปึกน้อมตั้งแต่อ่อนๆนั่นแหละ บุคคลบางคนยังง่ายเหลือเกินต่อการที่จะเครียดง่ายเหลือเกินต่อการที่จะทำชั่วง่ายเหลือเกินต่อการที่จะทำบุญทำดีใช่ไหมจ๊ะสะกิดนิดเดียวก็น้องไปแล้วในการทำดีไม่อยากไม่ลำบากเลยว่างั้นเถอะแต่บางคนรู้อยากยากมากสะกิดแล้วจนเลือดไหลซิบๆยังบอกโอ้ขายังเห็นเป็นความดีอย่ังยังเมคือความคิดของตอนเองยังถูกอยู่นั่นแหละ ความคิดของคนอื่นยังพีดอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างี้จแต่บางคนเป็นอย่างนี้นะคือตัดสินใจอารมณ์ในขณนะนั้นไม่ค่อยรวดเร็วเป็นกันบ่อยไหมคือแยกผิดแยกถูกในขณะนั้นไม่ค่อยรวดเร็วคือน้อมไปก่อนน่าจะตึกได้เร็วในขณะนั้นฟังเรื่องอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าคนที่ชํานาญเป็นอย่างดียัยไหม ก็สามารถแยกขาดปุ๊บๆๆได้ในขณะนั้นแต่บางทีอย่างเราน่เรื่องนั้นจบไปได้สักระยะหนึ่งอะประมาณสักห้านาทีแอ้วหูคิดออกแต่เรื่องมันหยุดสนทนาหยุดพูดไปซะแล้วนี่าถามจะทำยังไงเรื่องจบไปซะแล้วเราไม่ทันพูดตอนนั้นคิดไม่ทันนี่นี่คืออะไรอะคืออะไรมคิดแต่หลังดีๆ ใช่เนื้อเนื้อทา้นเลยทิ้งปุไปหมดแมไอ้ที่เราคิดอยากจะบอกอยากจะพูดหรืออยากจะอธิบายให้ฟังมันอีกอย่างแต่มันไม่ทันตั้งเรื่องเราเนาอพยายามจะคิดว่าเออเราเป็นคนอย่างนี้นะเราเป็นคนอย่างนี้นะเนี่ยบอกเขาไม่ทันอีกคนนึงก็เลยไปตีกวามีอย่างไปเข้าใจผิดหรือบางทีมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม บางทีกลับมาถ้าเราทำอย่างนั้ น, ม, นมันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแก้ไขเหตุการณ์ตรงนี้ได้ไปแล้วก็มานั่งช้ำใจเป็นบ่อยไปให้ย่างงี้<ร> <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็อย่าแปลกใจก็ฝึกหัดในการที่จะคี้อะไรให้เร็วให้ชัดขึ้นเราก็ยังเป็นไม่ไม่มกล้าในการที่จะแยกแยะปัญหาอะไรท่าน ชี้ยันมองเห็นยังตรงนี้บางทีเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีเราเจตนาเราดีนะเฮเข้ า, จ, าจะจ น, นั้นเราไปพูดคำนั้นไปทำไมปากเนอะปากนี่แหละคำว่าปากเนอะปากบางทีเงียบๆไว้ดีที่สุดครับเรื่องบางเรื่อง เ, อ ง, เงียบก็ไว้ ไอ้ที่เงียบเลี่ยบอกว่าเอาต่าพูดไปแล้วมันเสียแต่บางครั้งเนี่ยไปเงียบเลยเสียซะอีกนะเสียตรงเงียบน่ะเฮ้ยสังเกตไหมพองเงียบเงียบไปเนี่ยเสียอีกมสังค ม, ไ ม, ไ, มไม่ดีดา บ, บางครั้งเสียมันเหมือนอย่างงี้ครับเพราะว่าคนบางคนเนี่ยว่าบางคนเนะี่ยถ้ายิ่งเพียนยิ่งยิ่งพัง คือยิ่งเพียรยิ่งพังเนะี่ยให้อยู่เฉยๆซะในกลุ่มของคนไม่ค่อยฉลาดทั้งหลายให้สังเกตดิอย่าให้หยิบแก้วแก้วแตกเลยเนะีคืออย่าไปใช้ให้ทํางานอย่าให้ใช้ขยนันขยันไม่ได้พวกนี้ขยันละพังเออมันมีกลุ่มเนี้ยก็ต้องสังเกตดูเราที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยให้สังเกตดูดิคนบางคนใช้ไม่ได้บอกเอาเอาแก้วไปล้างสมมติแก้วแตกนะะที่หยิบไปเนะี่ยไม่คุ้มเลยแหละ แล้วใช้ยิ่งใช้ยิ่ ง, งพังอ่ะนี่เขาเรียกว่ายิ่งเพียนยิ่งเละเพียนไม่ดีบง่งคือถ้าไปคิดอะไรก็เสียหายเลยในกลุ่มที่ว่ายังไงเนี่ยในกลุ่มที่ว่าอืมไองานเนี่ยจะทำให้มันดีอยู่แล้วยังไงคนอื่นทำมันดีนะไอคนนี้ไปทำพังเลยงานเนี้ย ทุกครั้งเป็นลักษณะนี้คนกลุ่มนี้มีใช่พวกนี้ต้องเกียดตค้านห้ามขยันโดนใช้ไปจ่ายตลาดประจําโดนด่าประจําเลยพยายามจะจยอย่างนี้เขาเรียกเพียนเพียนไม่ดีเนี่ยาจะซื้ออย่างโดนด่าประจําเลยปตลาดถูกใจกั้งไม่ซื้อเลยไม่จ่ายในชีวิตจ่ายตลาดถูกใจใครเวันนี้ ก็เหมาะแก่การบวชนะครับไม่เหมาะแก่การคลองเรือนก็ก็ตรงนี้ชีวิตมันอย่างเนี้มันเพราคลองเรือนมันเป็นเรื่องยากทําไปแล้วให้อีกคนนึงเขาถูกใจยากมากนะก็ในชีวิตนี้ผมแยกแยะอะไรไม่ถูกเลยขออยู่อย่างงี้แล้วว่างั้นนะทำไมถึงแยกแยะไม่ถูกจิตมันไม่ได้ตรึกที่จะไปแยกแยะอย่างนั้นก็บอกเข้าไป ถ้าหาข้อที่แปดอติอวิภูตารมวิอติวิภูตารมวิถีตทาธรรมนาวราทัที่มีอติตาผวังอันนี้รับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเลยครับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเลยตรึกอารมณ์ปัจจุบันในขนาดนั้นทางวนโนทวานแปลกมากใช่ไหมแปลกมากนองหน่วงเอาอารมณ์ที่ในขนาดนั้นเนี่ยอธิบายไม่ได้ ในขณะนี้คือเขารับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเลยประเภทที่ไม่ผ่านทางปัญจทวารเลยยนถึงน้อมขึ้นรู้อารมณ์ปัจจุบันในขณะนั้นเรื่องราวปัจจุบันในขณะนั้นเป็นเรื่องแปลกดีเป็นไ ด, ดน้เพราะว่าปิดทวารทั้งห้าจริงจริงแต่น้อมรู้อารมณ์ในขณนะนั้นแล้วก็เก็บฝันเลยอะ หยิบอารมณ์นั้นฝันทันทีเป็นเรื่องเป็นราวทันที่ะถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นนน ไ, ดได้ชัดแต่เป็นปัจจุบันสัน ต, ติใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าอธิบายอย่างนี้ก็คื อ, อ, อถ้าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่สุทธะแต่อย่าลืมนะสุทธะเขามีนะ สุาธาโมทวาลวิถีมีและก็อตีตักขณาววิถีสมูหักข้าววิถีอัตถักขณวิถีนา ม, มะขคาววิถีพวกนี้ก็มีจัดพวกนี้เป็นปัจจุบันได้ทั้งๆ ท, ที่อารมณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เรานอนหลับอยู่เขามีการละเล่นกันมีเสียงเพลงดังขึ้นมาในขณะนั้นพอเสียงเพลงดังขึ้นมาในขณะนั้นเสียงเพลงนั้นเข้าสู่ครองของโสตาวาลวิถี โสตทวาลวิถีเนี่ยนะก็เกิดขึ้นสืบติดต่อในการที่จะรับเสียงในการที่จะเข้าไปรับเสียงอตีตักขณวิถีก็รับเสียงเห็นไหมสมูหะข้ณวิถีก็รวบรวมเสียงอัฏฐัณวิถีเอานามมัคณวิถีก็รู้ชื่ออะไรเกิดก่อนอัฏฐคณวิถีก็รู้อัฏฐ นามมัคคณวิถีก็เข้าไปรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรทางโสตทวารนี่อัดถักหรือนามกกนานามักเกิดก่อนนามมักเกิดก่อนนามักคือไปรู้ชื่อก่อนแล้วก็ไปเข้าใจสันฐานเรื่องนั้นอีกทีเช่นว่าเสียงเสียงดนตรีก็รู้ทีหลังนะว่าไอนามมักเน่เข้าไปรู้ว่านี่เป็นเสียงดนตรี อัตถาก็เข้าไปรู้ว่าไอ้สันฐานของเสียงที่ดังนะมันดังมาจากกรองดังมาจากเ อ, อละกังดังมาจากไอ้รนาคหรือดังมาจากแตรอย่างนี้เป็นต้นนี่ยเนยนะก็ ก, ก็ก็ดูตรงนั้นนี่ลักษณะอย่างนี้ก็รับเป็นปัจจุบันได้แต่ว่าเป็นปัจจุบันที่สืบต่อขณะนะเพราะจริงๆตัวที่รับปัจจุบันจริงๆคือโสตทวาริกะ มโนทวารลวิธีทีนี้ถ้าหากว่าสิบอติอวิภูตารมวิถีชาวนาวระที่ไม่มีอติแต่วังและมีอาการดูกาผะวังกลุ่มเหล่านี้คือมีอาการดูกาผะวังเออใครสามารถเขียนวิถีได้ออกมาได้ทุกวิถีไหมลองในวันพรุ่งนี้ใครลองเขียนวิถีมาให้ดูหน่อยนะสิบสองวิถี คือเขียนวิถีเนี่ยเขียนออกมาเลยเฉพาะแต่ลรวิถีแต่เรวิถีแต่ละวิธีออกมานะนะนะก็เขียนตามลำดับอันไหนเป็นอัตติตากผวังาเขียนวิถีออกมาแค่นั้นเด่แล้วก็ใส่ผวาข้างหน้าผวาข้างหลังหน่อยใส่เป็นกุศลวิถีเป็นอกุศลสปินนวิถีหน่อแล้วก็เป็นอัพยากตาสปินนวิถีที่เป็นเอาอวิภูตารมอาตีอวิภูตารมหน่อยตัวเราไปทําดนนะทําให้ได้สิบสองวิธีออกมา เขียนออกมาให้ดูหน่อยดิว่าเป็นยังไงคือเขียนออกมาง่ายๆไม่ยากเลยทุก้นอวิปูตาลลวิถีที่มีอะที่จะพวังที่ที่รู้ปัจจุบันรู้ปาโลเลยแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ผ่านโคตรศาสตรทั้งหลายรู้ธรงมโนเลยมี ก็ไม่ต่างกันนี่ลักษณะอย่างนั้นใช่ใช่ใช่คือท่านกล่าวว่ามีอย่างนั้นก็กลุ่มของบุคคลที่ชำนาญเนี่ยก็จะเกิดจริงๆนะเกิดจริงๆคือเห็น บางทีแค่เรายื้อลุกขึ้นยืนแล้วก็ในขณะที่เราเดินเนี่ยนะในขณะนั้นเราก็ไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปว่าเดินนั้นคืออะไรแต่บางทีอาการปรากฏในการเดินก็ยังปรากฏในขณะนั้นใ น, นในขณะที่เราเดินยังปรากฏให้เห็นอยู่ทางมโนทวารเลยเนี่ยใช่ไหม อ่ะอย่างยกตัวอย่างในกลุ่มของบุคคลที่กําหนดไปแล้วเนี่ยถามว่าจิตที่คิดจะเดินวาโยธา ต, ตั้งขึ้นแผ่ซ่านเข้าไปในในต้อสลิงละอะสลีละก็ทําให้อวัยวะที่สมมุติเรียกว่าขาเนี่ยก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงนั้นมันก็ยังสามารถที่จะเป็นตรึกในเรื่องงการที่จะเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมใช่ใชนนก็ใช่ก็เป็นปัจจุบันนี่ฝันนรูกนั่นเอง ก็เป็นนิพพานะรูปหรือเปล่าไม่เป็นได้ยังไงแล้วคือคือตรงนี้ยังไงทางมโนทวารที่เข้าไปตรึกน้อมที่จะรับคือคนที่เขาชานาญจริงๆเยขาจะทําได้ตรงนั้นคือแต่ที่จริงเนี่ยสภาพของจิตมันรับของเขาอยู่แล้วเขารับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีสติเข้าไปรู้ไงเราไม่ได้น้อมสติที่เข้าไปรู้หรือไปเห็นแต่จริงเขารับของเขาอยู่โดยการทั้งสามอยู่แล้วทางสุทธามโนทวารเขาก็รับเขาก็รับ พอเขารับอารมณ์ได้เนี่ยรับนิพพานนะรูปได้ใช่ไหมที่มีอดีตระวัง เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าทางรูปารม์เนี่ยถ้ามาปรากฏทางมาโนทวายังปรากฏได้ถึงแม้ว่าเขาจะเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นี่เราเราเป็นนึกอย่างนั้นไงใช่ไหม<ต>เราเราเร า, เราไม่ใช่เ ร, เราไม่เราเป็นนึกว่าเวลาเห็นเนี่ยก็จะต้องเป็นรูปเป็นลักษณะไหมไม่ใช่คือ ถึงไงบางทีเนี่ยเราไปนั่งนึกอย่างนี้เอาให้รู้ไงทั้งๆ ท, ท, ที่มันรับแต่เราก็ไม่รู้<ะ>ไไเห็น ไ, ไ, ไหมตรงนี้เราต้องมองให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีปัญญาหรอกเราไม่ได้มีปัญญ า, าเพียงพอในการที่จะไปรู้ละเอียดขนาดนั้น แต่อย่าไปคิดว่าจะรับไม่ได้นะก็ขนาดอดีตไกลโพนยังรับได้อดีตชาติยังรับได้ชาติหน้าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติยังรับได้แล้วทำไมปัจจุบันประ จ, จักษ์อยู่เฉพาะหน้าทำไมมโนทวารวิถีที่เป็นสุดท้ามโนทวารวิถีจะรับไม่ได้แต่ถามแล้วทำไมจึงไม่รู้บอกออแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงจิตมันเร็วขนาดนี้ <c oughs> ใช่หม ใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วมันรับไหมละ่ะจริงๆแล้วมันรับไหมต้องยอมรับว่าเขารับเนี่ยเขารับได้จริงๆนั <c oughs> มันเรื่องจริงนะว่ามันรับได้จริงๆนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าหรือบางทีไม่ได้สังเกตให้รู้หรือเปล่านะโอ้เป็นเรื่องปกติฮะเป็นเรื่องปกติเลย เอาอย่างนี้รู้ว่าเคยเกิดเคยตายเคยอะไรต่างๆอย่างสมมุติว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยรู้เลยว่ากำลังคิดอะไรเห็นไหมขนาดนั้นน่ว่าว่าจิตเนี้ยว่า จ, จิตอะไรกำลังเกิดเนี่ยโลภะหรือโทสะหรือโมหะถ้าพรุทธเจ้าเนี่ยรู้ปันนั้นหนึขนาดนั้นน่ ก็เหมือนอย่างว่ามีคนนินทาว่าพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ถามเลยว่านินทาอะไรพูดแก้ปัญหาที่ท่านนินทาเลยที่ท่านปลารบถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าตะถาคตไม่ได้กล่าวพระธรรมอย่างที่ท่านว่ากันนั่นแปลว่าอะไรอีกท่านหนึ่งโอ้ยอัศจรรย์เนยไหมเพราะที่ไปพูดน่ไปพูดอีกที่ตอนนึงแต่ทาไมพุทธเจ้าได้ยิน ถ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ปราถนาให้ให้ภาษาวกได้ยินขนาดพระโมคคัลลานะเนี่ยถามว่ามีที่พระโสตาไว้มีณนะอยู่ห้องติดกันที่ปุภาลาวิหารของนางวิสาขานี่ห้องชิดติดกับพระเจ้าเบื้องซ้ายเบื้องขวาเป็นพระสารีบุตรตรงกลางเป็นพระพุทธเจ้าเทวดามาเฝ้าเท้าสก่ามาเฝ้าพระเจ้าแสดงธรรมตลอดเท้าสกากลับไปแล้ว เพราะโมกขลานะก็เยียงฟังหนึ่งเข้าเข้าทิปประสงค์ต่ฟังฟังไม่ได้นี่คือพุทธประสงค์คำพูดของพุทยาเนี่ยถ้าจะพูดให้อยู่แค่ห้าคนก็ห้าคนได้ยินมันนั่งเกินหกคนในหกคนฟังเลยก็ไม่ได้ยินมองอไหมนี่นี่คือพุทธบารมีอ่านนั้นคือคือคือวัตถุประสงค์ ที่จะให้ในอัปนาวาระเนี่ยมีมหากตะอปนาและก็โลกตราอปนาโชนาล่ะชื่อว่านาวาระในอปนาวาระเนี่ยนะวาระที่ว่าโดยอนาวิถีก็มีโรกิยาอปนาและก็โลกุตราอปนาในโรกิยาอปนาก็มีจะพูดถึงในเรื่องของครูปาวจระ อัปปนาก็มีรูปาวัจระอปปนาก็มีเจ๊ะไหมรูปาวัจระอปปนาวลาระกนปฐมมชานอปปนาทุติยชานอปปนาตัตยชานอปปนาแล้วก็จตุชานอปปนาปัญจมชานอปปนารวมเป็นห้านาในปฐมมชานอปปนาก็แบ่งเป็นสองชนิดเป็นกุศลอัปปนากับกิริยาอปปนาเหมือนกันในอภิอ อปนาสองชนิดในอเออในอัปนาสองชนิดนั้นก็มีปฏิบาทาทั้งสี่ปฏิบัทาทั้งสี่มีอะไรบ้างมีทุกขาปฏิบาทาทันทาพิญญาประเภทที่ปฏิบัติลําบากรู้ชา้ากว่าจะได้รู้ลุเนี่นะนั่งอปนาเนี่ยประเภททุกขาปฏิบัทาขิปนาพิญญาพวกนีปทท้ปฏิบัติลําบากจะรู้เร็วบรรลุเร็วเนี่ยในกลุ่มเนี้ย ในกลุ่มของสุขาปฏิบาาัตทธนราปิญญากลุ่มนี้เมื่อปฏิบัติสะดวกมากแต่ก็บรรลุชา้าบรรลุึงอัปนานชาีช้าประเภทที่สี่คือสุขาปฏิบาาัติธกิปปาปิญญาประเภทนี้ปฏิบัติสะดวกด้วยแล้วก็บรรลุเร็วด้วยเห็นไหมในกลุ่มของบุคคลที่จะได้อัปนาปนะวิถีเนี่ยหรืออัปนาวารานียน่ยังแยกออกเป็นในของสองจพวกนะ ในสองจำพวกนั้นน่ยสองลือลายประเภทกุศลอัปนาและกิริยาอปนานั้นก็ยังแบ่งเป็นสองปรจะได้อัปนาของบุคคลหรือแบ่งเป็นสองประเภทในอัปนาสองประเภทนั้นมีปฏิปทาสี่มีทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาสุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาแล้วก็สุขขาปฏิปทาคิปาปิญญานะ ตรงนี้ก็ทําความเข้าใจอย่างนั้นมองออกใช่ไหมว่าทุกขาปฏิปทาทันท่าปิญญาหนี้พวกปฏิบัติลําบากหรือปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่สะดวกเลยอะแล้วไปรู้ก็ท่าด้วยเราเรายูนอยู่กลุ่มนี้นนหรืออยู่ตรงไหนหรือทุกขาปฏิปาทาขิปากยยาประเภทนิ้วปฏิบัติลําบากแต่ต้รู้เร็วนะคือเจ็บปวดนะว่างั้น กลุ่มล่านี้กว่จะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวแต่ในที่สุดจริงๆได้ก็เร็วด้วยในกลุ่มนี้ยเนี้ย่วพวกที่ทั้งทั้งคุทรมานก็รู้ก็ช้าแต่นที่สุดเขาก็ได้จนได้นะบางที เ, เท่าไหร่นะสิบปีปยี่สิบปีเยอะเลยฮะสามสิบปีโล ว, ว้าไปใช่ไ สุขาปฏิปทาทันทาปิญญาในกลุ่มเหล่านี้ปฏิบัติสะดวกมนอะรู้ชา้าพวกนี้ก็รู้ชา้าแต่ว่าการปฏิบัติการที่จะทําอปนาเชาวนาเกิดขึ้นก็ก็ไม่ค่อยจะก็สะดวกดีแต่ก็ไปเรื่อยๆมองอย่างว่าแต่ก็ช้าไหมให้เวลานาเนี่ยเคสุขาปฏิปทากิดปัญญานี่ยหยุไม่แปลกใจนะบงค น, นว่าแบบได้ไปแล้วอะไรเงี้ย มองดี่ว่าไอ้ตรงนี้ก็สังเกตเอามีความหมายของปฏิบัติทางศก็คือพวกตันหานั่นแหละพวกที่มีตันหามีกําลังมากแต่ปัญญามีกําลังน้อยเป็เหตุให้ปฏิบัติลําบากเพราะบรรลุก็ยากกลุ่มที่มีตันหาคอยเล้าคอยดึงอย่างนี้ถือว่าเป็นพวกทุกข์ขาปฏิบทานินะจะไปแเจะิีก็โอ้โหจิตก็ความอะไรนะี่ย ความตรึกความน้อมนึกคิดถึงอารมณ์เดิมอารมณ์เก่าหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แม้ไปเจออารมณ์ใหม่ก็ยังติดยึดอารมณ์ใหม่อยู่นั่นแหละลักษณะเช่นนี้ประเภทปัญหามากปัญหามีกำลังมากความอยากความต้องการความยินดีพอใจประเภทกลุ่มอัสตสาปนี้มากจริ ง, รงๆนวะว่าไงจะถ้ายิ่งไปเจริญเจริญเกี่ยวกับเรื่องของการ เอาไม่ริงไม่จางเลยแล้วยิ่งตายยากเลยประเภทนี้นะคือปฏิบัติไม่สะดวกเลยเนี่ยฉะนั้นคาว่าไม่สะดวกเนี่ยบางทีไม่ใช่อยู่ที่ว่าอุปสรรคในการปฏิบัติอย่างนี้นบางทีกลุ่มภายในคือปัญหาตัวนี้นี่แหละความปรารถนาไม่มีที่ซึ่งของปัญหาที่มีมีความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพค้นนี่แหละไอ้ตัวนี้นี่แหละเป็นปัจจัยแก่การที่จะทาให ความรู้สึกนั้นถดถอยในการที่จะประพฤติปฏิบัติลงมาอยู่อย่างนั้นเถะบางทีเอาไปติดนั่นด้วยอีกแล้วไปติดนั่นด้วยอีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยทําท่าปฏิบัติพอทําท่าได้สิงไดสิ่งหนึ่งมานิดหน่อยก็อุ้ยพอใจแล้แค่นี้เอางั้นนะจะไม่ได้หยุดอยู่อย่างเง้ยนะเพราะกลุ่มตัณหามากไปทุกหยุดเนี่ยฝ่าเดินเดินทางเนี่ยทุกจุดเนี่ย ล้วนจะเป็นอารมณ์เป็นเหยื่อองตัณหาได้แทบทั้งนั้นเห็นนั้นก็ติดอยู่นั่นมองเห็นยังไ้ตรงเนี้ยประเภทที่สองกลุ่มตัณหามีกําลังมากแล้วก็ปัญญาก็มีกําลังมากไอ้ตรงเนี้สิเขาเรียกว่าพอวัดกันได้เวลาปฏิบัติลําบากแต่สามารถบรรลุเด่นเหลวแต่นไหปฏิบัติลําบากจริงเพราะอะไรรู้ไหมบอกประเภทที่ว่ามางคีตั้มตึงกันแล้ว ออกใช่ไหมปัญหากับปัญญาเนี่ยวัดกันเลยอยู่ที่ว่าอะไรจะได้ปัจจัยมากกว่ากันอะไรจะได้ปัจจัยปัญหาเนี่ยตัญหากับกับปัญญาเนี่ยอันไหนจะได้ได้อาหารมากกว่ากันเราหยอดอาหารอะไรมากไอตัวนั้นก็เป็นตัวนองถ้าไปหยอดอาหารของตัญหามากๆรู้ไหมอาหารของตัญหาคืออะไรลาดับลำเอารลำดับแรกก็คือว่าอโยนิโสมนสิการนี่แหละ ความให้ทนไม่ริงไม่โดยอุบายไม่แยบขายนี่แล้วการคิดไม่ถูกนี่แหละเหมือนกับการให้อาหารของปัญหาปัญหาก็มีกําลังมากมากขึ้นอยู่นะปัญญาก็ทั้งที่ปัญญาเป็นคนมีอุปนิสัยดีอยู่เลยก็เลยไม่ยอมให้อาหารของปัญญาพอปัญญาไม่ได้เหตุปัจจัยไม่ได้อาหารไม่ได้ปัจจัยที่สุดจริงๆปัญญานั้นก็กลายเป็น มีกำลังไม่เพียงพอในการที่จะลาตัญหาได้แต่ในกลุ่มเหล่านี้เขาเรียกว่าเพราะปัญญามีกําลังมากจึงอยู่ในกลุ่มของสุกขาปฏิปทาคิ ป, ปาปัญญาเรื่วนประเภทที่สามสุขาปฏิปทาทันทาปัญญาในตัญหามีกําลังน้อยกลุ่มเหล่านี้ตัญหามีกําลังน้อยนะไม่ใช่มากแต่ปัญญาก็มีกําลังน้อยด้วยกลุ่มเหล่าเนี้ย เวลาปฏิบัติง่ายไหมง่ายแต่บรรลุบรรลุผลก็ชา้าเหมือนกันทั้งทั้งที่ตนเองเนี่ยมีปัญหามีกําลังน้อยอยู่แล้วแต่เออปัญญามีกําลังน้อยเขาอีกเลยมาอยู่ในกลุ่มสามเลยสุขาปฏิปทาทันทาริญญาเลยเนี่ยส่วนในกลุ่มสี่เนี่ยโอ้ยดีหน่อยปัญหามีกําลังน้อยแต่ปัญญาเนี่ยมีกําลังมากปฏิบัติง่ายว่าบรรลุเร็ว เปล่ยนไหมในกลุ่มเนี้ยังยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของท้ามหากระสอบเนี่ยปิดผริมานอฟเนี่ยตันหามีกําลังน้อยไหมตันหามีกําลังน้อยไม่ติดเลยอ่ะก็คิดว่าเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยความตรึกคิดน้อมเข้าหากรรมคุณเนี่ยไม่มีแล้วหรือนางไอ้ที่ว่าเป็นคู่ภรรยาก็เหมือนกัน ก็ตรึกคิดในลักษณะ น, นี้ถ้าได้ยินดีนะทีนี้จะถามว่าถ้าดูนี้พวบนี้บางคนบอกอ่ยทั้งนั้นรู้ตนเองแนะล้วน้อตื่นรู้ยังก็อยู่กลุ่มไหนกลุ่มแรกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามหรือก ล, ลุ่มที่สี่อยูอย่อยู่จุดไหนบางคนบอกสี่ยังไม่อาจเชื่อมก็อนนั้นสี่ยังไม่อาจ <c oughs> ทีนี้ในบรรดาปฏิปทาทั้งสี่นั้นนะนะทั้งทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาแล้วก็สุขาปฏิปทาแล้วก็ขิปปาปิญญานั้นในปฏิปทาทั้งสี่นั้นนะแต่ละอย่างก็ยังแยกออกแยกฌานออกเป็นสองชนิดนะเป็นปริตต์ฌานกับเป็นอัปมาในฌานทีนี้ สถานบอกว่าชานที่สัมปยุทธด้วยอธิปดีสีคือฉันทาวิรยิยะจิตตาวิมังสาเนี่ยนะฉันทาธิปติจิตตาทิปติแล้วก็วิริยาธิปติแล้วก็วิมังสาธิปติอฉันทาวิริยะจิตาวิมังสาเอาจิตมาไว้กลางที่เอามาไว้ต่อครับแค่ยังอยู่ที่สี่สาม ในบรรดาอาทิตติสีเนี่ยนะไม่ค่อยจะได้มีการเจริญฌานที่จะบรรลุได้เกิดความชนานาญและคล่องแคล่วประการใดดันั้นฌานที่ได้บรรลุนั้นก็ย่อมมีกําลังอ่อนอ่อนขนาดไหนอ่อนจนถึงขนาดไม่ไ ม, ไม่พไม่พอที่จะเป็นบาตฐานให้เกิดฌานเบื้องบนได้ฌานในลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าปริตตฌานนะี้ปริตฌาน แต่ถ้าในสมถะที่เป็นมีในปริเคศที่เก้าคำว่าปริตตสมถะนั้นหมายเอาอุปจาระสมาธิจนมหาคตาสมถะหมายเอาอัปปนหมายเอาอัปปนาหมายถึงมหาคตเานาหมายถึงอย่างนั้นอันเองทีนี้เกีย่ยวกนเรื่องของฌานที่สัมยุญด้วยอธิบดีสี แขนธาทิปติวิริยาธิปติจิตาธิปติและก็วิมงังสาธิปติประเภทที่มีกําลังมากไมยเนี่ยนะเพราะได้การหมันเจริญฌานเท่าที่ได้บรรลุ ม, มาแล้วเนะ น, นี่ยจนชำนิชำนาญก็เกิดความคล่องแคล่วว่องไวจนได้วสีทั้งห้ามีฌานสมาปฏิวสีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ฌานนั้นมีลักษณะดังกล่าวอย่างนี้ก็เรียกอปมาณฌนะานฌานที่ หาประมาณนีได้ในบรรดากุศลอ ก, กุศลกริยาฌานอปปนานน้นก็แบ่งเป็นสองนะเป็นอาทิกกมิกาฌานนวิถีหรืออาทิกกมิกาฌานอปปนาับสมาปฏิฌานอปปนาหรือว่าถ้าดูในวิถีที่เรากำลังเรียนกันเนี่ยวิถีแรกเขาเรียกอะไรอาทิกกมิกาฌานนวิถีวิถีที่สองก็คือ ฌานสมาปฏิวิถีวิถีที่สามคือปาทกาฌานวิถีวิถีที่สี่วิถีที่สี่คืออะไรอภิญญาวิถีวิถีที่ห้ามรควิถีวิถีที่หกพระราสมาปฏิวิถีแล้วก็เจ็ดก็คือนิโรธาสมาบัติวิถีมีเป็นยังไง คำว่าอัปนาชาวนะมโนทวารวิถีก็แปลว่ามโนทวารวิถีที่เป็นอัปนาชาวนะหรือที่เป็นอัปนาวาระนี่แหละที่เป็นอปนาวาระนี่เลยถ้าเรียกอปนาชาวนะมโนทวารวิถีเป็นวิถีที่ว่าโดยอั ป, ปนาวิถีทั้งหมดมีอัปนาชาวนะเป็นอะไรเป็นประธาน ในที่นี้นะเอาอัปนาชาวนะนะเป็นประธานไม่ใช่จะไม่มีการมีการมจิตหรือการมชาชวนะอยู่ด้วยเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีอยู่แต่ตัวประธานนั้นคืออัปนาชาวนะใชหเพราะในนั้นนะมีการมาชาวนาไหมนี่ลองไปดูในในใ น, ในชีตดูสิเราก็จะเห็นนหะเห็นทันทีเลยอย่างชยกตัวอย่างเช่นเราเปิดไปที่ เปิดไปที่เอกสารเนี่ยเอกสารภาพประกอบอภินาชชวณวิถีเจ็ดวิถีในหน้าที่สามสิบเอ็ดเ่อเปิดไปเลยในหน้าที่สามสิบเอ็ดเนี่ยก็จะบอกไว้เลยว่าอาทิกามิกาชานวิถีอ่าดูตั้งแต่ปริกรรมอุปจาระอนุรมโคตรภูอะเนี่ยอันนี้ได้แก่อะไรเนี่ย ได้ แ, แก่มหากุศลมหากริยาญาณสัมปยุตตจิตสี่เห็นไหมใน ม, มหากุศลมหากริยาญาณสัมปยุตตจิตสี่เป็นชาวนาอายบอกเป็นกาเมชาวนะให้เป็นกาเมชาวนะส่วนฌานที่เกิดขึ้นน่ยอย่างนั้นเขาเรียกมหาคตาชาวนะกุศลเก้าแล้วก็มหาคตากริยาชาวนะเก้า 9. ดวงเนี่ยนะในสิบปดดวงเนี่ยอันนั้นเป็นประธานที่มาบอกว่า อปนาชาวนาวิถีเนี่ยอันมีอัปนาชนาวนะเป็นประธานมีอัปนาชาวนะนั่นแหละเป็นประธานถามว่าอัปนาชาวนะเนี่ยนะเป็นประธานในวิถีนี้แต่ในวิถีนี้เขามีกามชาวนะก็จริงแต่กามชาวนะนั้นเป็นอุปการะช่วยอุดหนุนให้อัปนาชาวนานั้นเกิดขึ้นแต่ในที่นี้ศึกษาในเรื่องของอัปนาชาวนาโนทวารวิถี คำว่าอปนาเนี่ยตามพจนานุกรมบาลีไทยของที่ท่านนั่งเขาวน่นะได้แก่ว่าถ้าท่านแปลว่าแน่วน่ก็ได้แปลว่าเพ่งก็ได้ให้สองความหมายนะแต่ถ้าหากว่าในหนังสือพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยก็แปลอปนาไว้เขาบอกว่าแปลว่าทําลายคําว่าอปนาเนี่ยแปลว่าทําลายทําลายลายทําลายกิเลสนิมนิวอนเป็นต้นว่า ง, งั้นทําลายการมาชันท่านิวอน อะไรบางอ่ะพยาบาทนิวรณ์ผนมิทธานิวรณ์ปุถะจักปูปุถะนิวรวิจิปิชานิวร์เนีย่ยในกลุ่มเหล่านี้นี่แหละก็แปลว่าทํำลายอีกในหนึ่งหมายความว่าจิตที่แนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นในนึอันนี้เอามาหลายที่ส่วนในอภิธรรมพิสดารใครเคยดูในอภิธรรมพิสดารของอาจารย์สอสายเกษมไหม อาจารย์สายเสพม่ะภาคห น, นึ่งท่านบอกว่าอปปนาก็แปลตรงๆก็ได้แก่การทําลายแปลว่าการทําลายอยู่งั้นทอดตามวิเคราะห์ว่าท่านวิเคราะห์เลยนะบอกมิวรนาที่สับพักกิเลสอป ป, อ ป, อปปติยนาเสตติติอปปนาก็าบอกยึที่ทําลายกิเลสทั้งหมดคือนิวรห้าการมาชันท่าพยาบาทนนะมีท่าเป็นต้นเนี่ย เรียกว่าอัปนาองค์ธรรมได้แก่วิตกเจตสิกโดยตรงไปชี้องค์ธรรมออกมาไว้ตัวอัปนาคือตัววิตกนั่นตัวจิตนั้นก็ได้แก่จิตที่เป็นอัปนาเชวหนายี่บหกเท่านั้นไอ้ตรงนี้ไปสมกันกันกบอปน า, ใ น, ปนนาในหลักสูตรปริเขตที่เก้านี่นะในหลักสูตรปริเขตที่เก้านี่ยอธิบายเข้าไว้อธิบายคําว่าอัปนาเขาไว้ บอกว่าลักษณะของอัปปนาเนี่ยคือจริงๆอย่างในเรื่องที่ท่านอธิบายในด้านของสมถะนี่ฮนะพอไปถึงอปปนาอปปนาก็อธิบายอปปนาเขาไว้บอกว่าอปปนานั้นก็คือทําลายกิเลสกิเลตาลากิเลสก็คือยีวอนห้านี่เลยยีวอนห้านี่เองก็ก็ให้เข้าใจตามนะั้นโดยสรุปตรงนี้ อ, อีกอีกครั้งก็คือว่า อปปนาเนี่ยนะถ้าถามบอกว่าในอปปนาอปปนาเนี่ยอัปนาจิตกับอัปนาชาวนาก็จะบอต่างอัปนาจิตมีเท่าไหร่ได้แต่ฌานนจิตหกสิบเจ็ดใช่ไหมในจูดเตียคำว่าฌานนจิตหกสิบเจ็ดจิตเหล่านั้นล้วนจะเป็นจิตอัปนาจิตทนั้นแหละเรียกว่าอัปนาจิตเรียกได้แต่ถ้าอัปนาชวนะ คำว่าอปนาชานะได้แก่และมหคตากุศลเก้ามหาคตากิริยาเก้าแล้วก็โลกุตระจิตปดรวมเป็นอปนาโชานายี่หกนี่นับแบบแ น, น่นๆถะนับกันแบบกระจายกระจายหน่อยนับไงรูปาวจระกุศลจิตห้ารูปาวัจระกิริยาจิตห้าอรูปาวจระกุศลจิตสี่อรูปาวัจระกิริยาจิตสี่ แล้วก็โลกุตระจิตอีกแปดรวมเป็นยี่สิบหกในยี่สินี้เขาเรียกว่าอัปนาโชนะยนี่สิมีเรียกอย่างนานางั้นนะอปนาวิถีองค์ทำได้แก่อะไรถ้าบอกว่าอัปนาวิถีองค์ทำได้แก่อะไรอันนี้ต้องมาจัดใหม่นะถ้าบอกอัปนาวิถีเนี่ยอัปนาวิถีองค์ทำก็ได้แก่จิตที่เริ่มวิถีจนจบอ่ะ นับยังไงบอกมนโนทวารละชนะจินะรราาตึงเนี่ยในอคติกรมิกชานวิถีเป็นต้นหนึ่งมหากุศลญาณสัมพยุตจิตสีมห า, ารมมหกริยาญาณสัมยุตจิตสี่รวมเป็นก ร, รมจิตเก้าดวงเนี่ยนะเออขอ้นตที่แปดวงเนี่ยนะแล้วก็อัปนาโชนะายี่สิบหกรวมเป็นเท่าไหร่ยี่สิบหกบวกแปดแล้วก็บวกมโนหนึ่งรวมเป็นเท่าไหร่ รวมเป็น35มีจุดสาดวงก็เจ็ดสิบสามสปดมีเป็นนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอัปนาวิถีถ้าบอกว่าอัปนาวิถีเนี่เริ่มเลยนะเริ่มนับตั้งแต่มโนทวารวชณะนะ เ, เริ่มเป็นต้นไปแล้วก็เป็นมหากุศลมหากิริารยายาวหน้าสมเย์ยืแล้วก็แล้วก็อปนาเชาวไนอีกยีหทั้ง โลคิยาอปนาและโลกุตระอปนานี่อย่างนี้ส่วนถ้าถามว่าแล้วอปนาภาวนาล่ะคืออะไรนี่แยกกันนะใช่ไหมถ้าอปนาภาวนาเนี่ยก็ต้องต้องไปดูอีกอย่างคําว่าอปนาภาวนาเนี่ยเขาหมายถึงบอกว่าองค์ธรรมก็ได้แก่อปนาชฉวนะจิตตุบบาทคําว่าอปนาภาวนานี้องค์ธรรมได้แก่อปนาชฉวนะกิตตุบบาทคือ อปนาชานายี่หกเจ็ดสิบสาสิแปดนั่นแหละมีเป็ น, นี้มีเขาเรียกอ ป, ปนาภาวนาเป็นไงมีในลักษณะอย่างนี้ก็ทําความเข้าใจกันไปไงทําความเข้าใจไปเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของในเรื่องของอปนาอปนาวารเนี่ยตรงนี้ก็คงจะอันนี้เกี่ยวในเรื่องของการทําความเข้าใจในเบื้องต้น ในกรณีที่พวกเราจะไปศึกษาในเรื่องของอปปนาวาละเพราะว่ามาคตะาอปปนาลโลกุตระอปปนาวาละเนี่ยเป็นอปปนาวาละที่เรากําลังจะศึกษากันรวมกันเบ็ดเสร็จที่เลยเป็นไหมเขาก็แยกเป็นโลกิยะและโลกุตระร่วมเดืดศึกษาในเรื่องของอปปนาชนะอปปนาจิกในโลกิยาปปนาก็มีพวกรูปาวัจระรูปาวจระ รครูเปาจระก็มีปฐมฌานทุทาาติยฌานตัติยฌานตัติยฌานเจตุทะฌานต้นในในฌานต่างๆเราเนี่ยเวลาการทําความเข้าใจเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจไปตามลําดับทีนี้การทําความเข้าใจไปตามลําดับเนี่ยนะเออเกี่ ย, ยวในเรื่องของคําว่าเวลาจะเริ่มขึ้นศึกษาในเรื่องของวิถี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อาทิกรรมิกชาณวิถีเนี่ยอาทิกมิกชานวิถีนี่ในอาทิกรรมิกชาณวิถีเนี่ย ก, รรกายขาแปลว่าอะไรอาทิกรรมิกชาณวิถีแปลว่าอะไรเป็นวิถีแรกนั่นเองแต่ในที่นี้ยังไม่กล่าวถึงตรงนั้นก่อนจะกล่าวถึงในเรื่องของคำว่าภาวนานิดหน่อยปริกรรมภาวนาและอุปจารและภาวนาในองค์ธรรมได้แก่มหากุศลกิตวา 18แปดวงเจสิบสามสนะิบห้าเนี่ยทีนี้ถ้าไปดูในหลักของกรรมมิจตุกาซึ่งต่อไปเราจะ ศ, ศึกษาเล่าเล่าเรียนกันนะในรูปของบุญกกิียววัตถุที่จะส่งผลให้เกิดเป็นวิบากต่อไปเนี่ยนะถามว่าปริการภาวนาอุปจาระภาวนาเนี่ยองค์รงธรรมได้แก่อะไรบอกว่าองค์ธรรมได้แก่มหากุุลมหากริยาได้แก่มหากุศลหมหากริยาฉะนั้นอปนาภาวนาเนี่ย เทียบจากองค์ธรรมของบริกรรมภาวนาและอุปจาระภาวนาในการมัจจุกะหรือในบริกรรมภาวนาอุปจาระภาวนาในองค์ธรรมได้แก่มหากรุสหมากริยาจิตุบาตแล้วเมื่อในสมถะก็ในสำนองเดียวกันนะจึงได้ว่าอภปนาชาวนาจิตุบาทนี่นะก็ได้แก่จิตยี่หดวงเจสิกสามแปดมีเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าไปดูในความหมาย อาทิกกรมิกาชานวิถีโดยความหมายสั้นๆของเขาเนี่ยนะหมายถึงอะไรหมายถึงฌานวิถีของบุคคลที่ได้ฌานครั้งแรกอาทิเนี่ยก็แปลว่าเบื้องต้นอาทิกกรมิกาชานวิถีก็แปลว่าอะไรฌานวิถีของบุคคลที่ได้ฌานครั้งแรกเป็นการได้ครั้งแรกของของเขาได้อะไรครั้งแรกได้ปฐมฌานครั้งแรกได้ทุติยฌานครั้งแรกได้ตติยฌานครั้งแรก ได้จตุทะชานครั้งแรกและได้ปัญจมะชานครั้งแรกหรือตลอดถึงได้อะไรได้อากาสาัญายตนะครั้งแรกวิญญาัญจายตนะครั้งแรกได้อากินยัญญายตนะครั้งแรกได้เนวัสัญญาณสัญญายตนะชานครั้งแรกการได้ครั้งแรกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอาทิกามิกาชานะวิถีใช่ไหมนี่เขาเรียกเขาเรียกว่าการได้ได้ชานครั้งแรก ส่วนฌานสมาบัติวิถีก็หมายถึงวิถีทีท่เข้าฌานนะโดยความหมายสัส้นๆเพาอย่างนั้นที่กําลังศึกษาในเจดวิถีเนี่ยฌานสมาบัติวิถีคือวิถีทีท่เข้าเข้าถึงฌานเข้าอยู่ในฌานเข้าถึงฌานเลยส่วนปาทกะฌานวิถีก็คือวิถีทีททท่เป็นบาตให้เกิดอภิน ญ, ญาวิถีเขาเรียกปาทกะฌานนวิถีปาทกะในที่นั้นก็คือบาตรนั่นเองปาทกะเนี่ยบาต บาทของอะไรบาทของฌานวิถีที่เป็นบาทให้เขาเกิดขึ้นให้ให้เขาในนั้นคือให้ปิญญาเกิดมรคขวิถีอันนี้เป็นวิถีมรคโดยตรงเลยนะคานําว่ามรคนี่ก็แปลว่าอะไรฆ่ากิเลสได้นั่นแหละในโพชิปักขิยาสังขหารในจุรโทรที่เราศึกษากันมาคําว่ามรคมรคแปลว่าฆ่าฆ่าเสียได้ซึ่งกิเลสผลสมาบาตรวิถีเป็นวิถีที่เข้าผลัดจิต ตรงนี้ไดอารมณที่ประเสริฐอย่างนี้เขาเรียกเสวยมุดแล้วนิโรธาสมาบัตวิวิถีมีวิถีที่เข้านิโรธได้แก่จิตเจสิกแล้วก็จิตตชรูปนี่แหละดับนี่ดับได้นี่กี่วิถีนีห6หรือเจเจคือผลสมาบัตินิโรธามรรคแล้วก็อะไรกันเลยนี่อะไรกันอะไรวิถีนีงอภิญญาวิถีด้วยนะี่ พินยาวิธีก็วิถีที่เข้าอาพินยาก็เป็นเจ็ดวิธีจ้ะ น, นี่เป็นอย่างนี้นะในด้านของวิถี อ, อปนาทีนี้เกี่ยวกับนเรื่องของอาธิกามิกรชาณวิถีเนี่ยเวลาในย่างการที่เขาจะอธิบายวิถีเหล่านี้เขาจะอธิบายเกี่ยวในเรื่องของ เ ก, กี่ยวกับความหมายต่างๆก่อนแล้วก็จะเข้าไปศึกษาในเรื่องของแต่ละวิถีแต่ละวิถีอีกทีในความหมายซึ่งก็เริ่มตั้งแต่อะไรปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูและก็โวทานเนี้ยในการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของความหมายต่างๆเหล่านี้เพราะความหมายในปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูและก็โวทานเนี่ย อันนี้เป็นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฌานเป็นต้นเน่ยนะในความหมายต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาในกรณีที่จะต้องเรียนหรือทําความเข้าใจเกี่ยวนเรื่องของการอัปนาโชนวิถีเนี่ยเพราะในเรื่องของอัปนาโชณวิถีเนี่ยก็จะต้องอธิบายเกี่ยวนเรื่องของวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาเพราะว่าจิตที่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเข้าสอดรคตในขณะที่ เจริญสมาบัติเป็นต้นหรือเข้าฌานทำฌานนั้นเป็นวิถีจิตที่มีกําลังกว่าจิตปกติถามว่าถ้าจิตเหล่านี้มีกําลังกว่าจิตเป็นปกติเนี่ยจิตเหล่านั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าปริกรรมบ้างหรือบางทีก็เป็นเหตุแห่งการปรุงแต่งอัปนาก็เรียกว่าอุปจาระบ้างหรือว่าเป็นเหตุให้ใกล้หรือใกล้เ้าเรียกเฉียดให้ใกล้อัปนาเหมือนกับสถานที่อยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็ใกล้ นครเวต้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าอุปจาระแห่งบ้านหรืออุปจาระแห่งนครเนี่ น, นี่มีไปนี้แต่เดี๋ยวทําความเข้าใจตามลําดับก่อนประการแรกก็คือว่าปริกรมกรมกามชาวนะที่เชื่อปริกรรมเพราะเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุแห่งการจัดแจงปรุงแต่งเพื่อสร้างให้อ ป, ปนาชาวนะเกิดคือสร้างอะไรสร้างชาญให้เกิดขึ้นสร้างอภินญาสร้างมรรคแล้วก็สร้างผลให้เกิดขึ้น อย่างนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าปริกรรมมาจากคำว่าอินเรียสมาตาตีหิต